บทที่45ในพรรษาที่8เสด็จประทับจำพรรษาที่เพศการวันใกลเมืองสุงสุมารกคิลีแคว้นพักคะที่พระองค์เสด็จมาจำพรรษาณนะที่แห่งนี้ก็เพราะมีพุทธประสงค์จะมาโปรดบิดาและมารดาสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ ยังไม่ตรัสรู้ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าทรงพบนกุลบิดาและนกุลมารดาแต่ในอัตถกถาว่าพระองค์ประทับณอัญชนาวันคือป่าอัญชันและได้โปรโดพราหมณ์และนางพรามณีที่เคยเป็นบิดาและมารดาของพระองค์ถึงห้าชาติพราหมณ์และนางพรามณีก็คือนักุลบิดา และน ก, กุลามารดานั่นเองน ก, กุลบิดาและน ก, กุลามารดาเป็นคู่สามีภรรยาที่รักใกล้กลมเกลียวกันมากวันหนึ่งก็ได้พากันมากราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าทำอย่างไรจึงจะได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันทุกภพทุกชาติแล้วพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าอย่างไรคะโยมผ่องใสาถาม เพราะเธอก็อยากเกิดมาเป็นภรรยาของโยมเสงทุกชาติเช่นกันพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าจะต้องมีสมัชีวิตธรรมสีคือหลักธรรมของชีวิตคู่ที่จะทำให้คู่สมรสอยู่กรองกันยืดยาวสมัชีวิตธรรมสีก็ได้แก่หนึ่งสมสศรัทธามีศรัทธาสมกันสสมศีลามีศีลสมกัน สามสมะจาคามีจาคะสมกันจาคะคืออะไรคะหลวงพอ่อโอรสในดิตชาติถามพระบิดาจาคะก็คือการบริจาคหรือการเสียสละหลวงพ่อหรือสีรษตอบและข้อสีสมะปัญญามีปัญญาสมกันหากสามีภรรยาคู่ใด มีทำสีข้อนี้สมกันจะอยู่กรองกันยืดยาวแล้วก็จะพบกันอีกในชาติต่อไปครั้งหนึ่งนักกุลบิดาป่วยหนักและเกิดความกังวลใจว่าจะต้องจากโลกนี้ไปนักกุลมาดาก็ได้พูดปลอบใจสามีเขาไม่ต้องกังวลในการที่จะจากโลกนี้ไปเพราะได้สร้างความดีไว้พร้อมแล้วเป็นสามีที่ดีของภรรยา และเป็นบิดาที่ดีของบุตรขำปลอบประมใจของภรรยาทำให้นั ก, กุลบิดาหายปวย่วยและก็ตัดกังวลใจไปได้เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบ พ, พระพุทธองค์ตรัสแสดงความชื่นชมต่อนั ก, กุลาบิดาที่มีภรรยาล้ำเลิศเช่นนั ก, กุลมานดาส่วนอัตถกถามีกล่าวไว้ว่า ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าประทับที่อัญชนาวันวันหนึ่งเสด็จออกพร้อมโดยหมูภิกษุสงฆ์ไปบินพระบาทนอกเมืองขณะที่ดําเนินออกประตูเมืองก็มีพราหมชราผู้หนึ่งเดินเข้าประตูเมืองมาครั้นเห็นพระองค์พราหมู้นั้นก็วิ่งมาซบลงที่พระบาทพลางกราวรำพันว่าลูกพ่อเจ้าหายไปไหนมาเส้นนาน ธรรมดาพ่อแม่ที่แก่เท่าลูกจะต้องอยู่ดูแลรับใช้มิชัยหรือทำไมไม่ไปเยี่ยมแม่ของเจ้าบ้างและจึงทูลนิมนต์พระพุทธองค์ไปฉันที่บ้านของตนบรรดาภิกษุที่ติดตามพระพุทธองค์มาเมื่อได้เห็นและได้ยินการกระทําและคำพูดของพรามชาราต่างพากันคิดว่าพรามผู้นี้คงจะแก่จนหลง จึงมากราวตูพระพุทธองค์ว่าเป็นลูกท่านปลายตามองโอรสในอดิตชาตินิดหนึ่งจึงเล่าต่อคลั้นเสด็จถึงบ้านพราหามชารานางพรามณีก็วิ่งเข้ามาซบที่พระบาทร้องไห้รำพันว่าลูกแม่เจ้าหายไปไหนมาเส้นนานธรรมดาพ่อแม่ที่แก่เท่าลูกจะต้องอยู่ดูแลรับใช้มิใจหรือ เจ้าหายไปไหนมาแล้วเรียกลูกๆของนางมาบอกว่าพวกเจ้าจงมาไหว้พระพี่ชายสมณะนี้เป็นพี่ชายของพวกเจ้าพวกภิกษุที่ตามเสด็จต่างก็พากันคิดว่านึกว่าพรามแก่จนหลงคนเดียวที่แท้พระมณีก็หลงด้วยและต่างก็เก็บความสงสัยไว้ในใจ เมื่อพระพุทธองค์ฉันพัดแล้วทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ์และพรามมณีให้ได้ธรรมจักสุจากนั้นจึงเสด็จกลับพร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์ผู้ติดตามภิกษุเหล่านั้นเมื่อมาถึงอัญชนาวันจึงได้สนทนากันอยู่ในธรรมสภารูปหนึ่งกล่าวว่าพราหมชราและภรรยามากล่าวตู่พระพุทธองค์ว่าเป็นบุตรของตนได้อย่างไรกันนั่นสิ ใครๆก็รู้ว่าพระองค์เป็นโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะและพระนางเสริมหามายาอีกรูปหนึ่งช่วยเสริมพระพุทธองค์เสด็จผ่านมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกำลังสนทนากันโดยเรื่องอะไรโดยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข่าภิกษุกราบทูลพระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์และพราหมณีไม่ได้กล่าวตูตถาคตพราหมชราผู้นี้เคยเป็นบิดาของตถาคต500ชาติเป็นลุง500รชาติเป็นอาห้าชาติส่วนพราหมณีนั้นเล่าก็เคยเป็นมารดาของตถาคต500ชาติเป็นป้าห้าชาติเป็นน้าร้อชาติตถ า, ถาคตเติบโตอยู่ในอุ้งมือของพราหมณ์ และพระมณีถึงพันห้ารชาติผู้ที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือครหัต์ต่างพากันคิดถึงบิดามารดาของตนคนที่บิดามารดาละโลกนี้ไปแล้วก็คิดว่าจะต้องอุทิศส่วนกุศลผ ล, ลบุญไปให้สมภารวัดป่ามะม่วงคิดถึงหลวงพ่อของท่านซึ่งมรณาภาพไปหลายปีแล้วและคิดถึงโยมมารดาผู้ชรามายืน ป่านชนี้แม่จวนจะอยู่ดีมีสุขประการใดหนอให้เวลาแก่ผู้ฟังได้คิดคำหนึ่งชั่วครู่แล้วเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัดถีจึงเล่าต่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพราหมณ์และพรามณีอีกสองครั้งครั้งที่สองหลังจากทรงแสดงธรรมโปรด สองสามีภรรยาก็ได้บรรลุสักกาคามิผลครั้งที่สามบรรลุอนาคามิผลครั้นเวลาใกล้จะออกพรรษาทรงทราบว่าพรามและพราหมณีจะละโลกนี้ไปถึงก็เสด็จปโปรดเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากทรงแสดงธรรมจบลงสองสามีภรรยาก็ได้บรรลุอรหัตผลและปรินิพพานในวันนั้นก็เป็นอันว่า พระพุทธองค์ได้ตอบแทนบุญคุณของปิดามานดาในอดิตชาติให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นความหลงในสงสารอาตมาอ่านเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจมากทีนี้ท่านเชื่อหรือยังล่ะว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงหลวงพ่อฤศีเสดถามพระรสุขนเชื่อแล้วครับหลวงพ่อพระหนุ่มตอบเสียงเครือ เรารู้สึกประทับใจและซาบซึ้งจนน้ำตาคลอหน่วยทั้งสองเอาละทีนี้ก็ น, นิมนต์พระภิกษุจำวัดแล้วก็เชิญญาติโยมพักผ่อนเอาแรงไว้ชมวัดพระเชตวันกันสมภารเจ้าวัดบอกกล่าวหลวงพ่อคะแล้วเมื่อไรหนูจะได้พบกับหลวงพ่ออีกโอรสในอดีตชาติของหลวงพ่อฤสีเสดถามเสียงเกลือ เหมือนเตรียมพร้อมที่จะร้องไห้อีกวาระหนึ่งหลอนเกรงว่าเมื่อกลับเมืองไทยแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้พบท่านอีกพรุ่งนี้เช้าเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัถีตอบทันทีผู้ที่เกิดความเศร้าอยเพราะคิดถึงมารดาบิดาพากันยิ้มออกมาได้เพราะสตรีผู้นี้เป็นเหตุหลอนดูน่าสงสาร และหน้าขบขันในเวลาเดียวกันกล่าบพระรัตนตรัยอีกครั้งด้วยอรหังสัมมาสัมพุโทโธภควาแล้วพระและครืหัดก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนสมภารวัดป่ามะม่วงใคร่สนทนากับสมภารวัดไทยสาวัดถีต่อจึงบอกความประสงค์ยินดีครับท่านพระครูผมยังไม่ง่วงตอนทุดงไปเชิงเขาหิมาลายัย ผมก็ไม่ได้กินไม่ได้นอนตั้งเจ็ดวันเพราะมันหนาวมากหลวงพ่อฤศีเสดตอบรับด้วยความเต็มใจและแล้วภิกษุสองรูปผู้มีวัยใกล้เคียงกันก็นั่งสนทนาธรรมอยู่ที่โบสถ์จนถึงเวลาตีสองวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัตหาและรับประทานอาหารเช้ากันแล้วเจ้าอาวาสวัดไทสาวัดถีก็นาคณะผู้สแสวงบุญไปชมวัดพระเชตวัน ที่อนาถบินธิกะเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้าทั้งพระและครืหัดต่างประทับใจในความรอบรู้ของเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีที่สามารถอธิบายขยายความในทุกแง่ทุกมุมเมื่อชมบ้านของอนาถบินธิกะเศรษฐีก็เล่าประวัติของท่านเศรษฐีอย่างละเอียดว่าเดิมท่านชื่อสุทัตระเป็นครืหั บ, บดีแห่งนครสาวัตถี ได้เดินทางไปยังนครราชครืและพักอยู่ที่บ้านเพื่อนเศรษฐีด้วยกันเมื่อเพื่อนเศรษฐีกำลังสั่งการให้คนใช้จัดสถานที่และก็เตรียมงานอยู่ก็ถามว่าจะมีงานมงคลอันใดเพื่อนเศรษฐีก็ตอบว่าวันพรุ่งนี้ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์มาฉันทที่บ้านพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้า ท่านเศรษฐีก็รู้สึกปีติปราโมทจนคนลุกไปทั้งตัวคืนนั้นเธอได้แอบไปเฝ้าพระพุทธองค์ณพระเวรุวันได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ก็ทำให้บรรลุโสดาปติผลจึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จนครสาวัตถีบ้างกรั้นกลับจากนครราชครืก็ได้สร้างวัดพระเชตวันถวายแด่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ประทับจำพรรษารวมทั้งหมดก่อสิบเกาพรรษานอกจากอุปธรรมบำรุงพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์แล้วท่านเศรษฐีก็ยังได้สงเคราะห์คนยากไร้อนาถาจำนวนมากอยู่เป็นประจำจึงได้ชื่อว่าอนาทบินทิกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา ท่านได้รับยกย่องเป็นเอตะทักฆะในหมู่ทา ย, ยกฝ่ายอุบาสกคู่กับนางวิสาขามหาอุบาสิ ก, กาซึ่งได้รับยกย่องเป็นเอตะทักฆะในหมู่ทายิกาฝ่ายอุบาสิกาท่านเศรษฐีมีลูกไม่ค้าหลวงพ่อโอรสในอดิตชาติของท่านถามมีหลายคนท่านฉลาดในการเลี้ยงดูบุตรธิดามาก มากนี่ขยายฉลาดหรือขยายบุต ธ, ธิดาครับหลวงพ่อพระมกุเทศถามในไหนท่านก็ไม่ได้ทาหน้าที่มกุเทศเพราะมาเจอมกุเทศที่ยอดเยี่ยมกว่าจึงต้องแสดงภูมิรู้ด้วยการถามแล้วแต่ท่านจะต้องการถ้าต้องการขยายทั้งสองคำเลยก็ได้คือท่านเศรษฐีฉลาดมากด้วยมีบุต ธ, ธิดามากด้วย เจ้าอาวาสวัดไทยสาวัสถีตอบแบบวิสัชวาทีท่านฉลาดในการเลี้ยงดูบุตริดาอย่างไรครับบุุษที่มีลูกมากเรียนถามเขาคิดว่าน่าจะนำวิธีการของท่านเศรษฐีไปใช้บ้าง ไม่ตามใจลูกเหมือนเศรษฐีเมืองไทยตามใจญาติโยมจําไว้นะเลี้ยงลูกอย่าตามใจถ้าตามใจรับรองเอาดีไม่ได้และพูดกับท่านพระครูว่าท่านพระครูจําคําพูดผมไว้ด้วยนะอีกยี่สิบปีข้างหน้าเยาวชนของชาติจะเสียหายกันมากเพราะถูกพ่อแม่เลี้ยงแบบตามใจลูกอยากได้อะไรก็ให้สมบูรณ์ในด้านวัตถุ แต่ขาดแคลนด้านจิตใจเยาวชนทั้งหลายก็เลยไปติดยาประพฤติตนเป็นปัญหาต่อสังคมครับหลวงพ่อผมกำลังคิดหาทางแก้อยู่ท่านพระครูตอบวิธีแก่ที่ดีที่สุดคือให้มาปฏิบัติทำเจริญพระกรรมฐานแต่พวกลูกเศรษฐีเขาไม่ค่อยมารอก จะมาเกาะชนชั้นกลางที่มีบุญแล้วก็มีปัญญาโลกกำลังจะเปลี่ยนมิติคนที่เคยเป็นญาติกันในชาติก่อนๆ ก, ก็จะเวียนมาพบกันมาช่วยกันสร้างความดีหนีความชั่วแต่ก็จะมีคนชั่วมาสร้างความเดือดร้อนให้คนดีเงินทองก็จะกลายเป็นสลณะของคนชั่วยิ่งรวยมากก็ยิ่งชั่วมากสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมาก แต่ในที่สุดก็ต้องยอมจำนนแตเวนทิฏธรรมกมิกอผมเป็นห่วงเมืองไทยมากถึงผมจะมีเชื้อสายเขมรแต่ก็มีสัญชาติไทยและรักเมืองไทยเท่ากับเมืองเขมรภิกษุวัย62พูดจากใจจริงหลวงพ่อครับนิมน์บอกญาติโยมถึงวิธีการเลี้ยงดูบุตรธิดาของท่านอนาธบินทิกาเศรษฐีได้แล้วครับ พระมกุเทศเกรงว่าญาติโยมจะเสียประโยชน์จึงได้นิมนต์ท่านให้บรรยายต่อท่านเศรษฐีใช้อุบายในการสร้างความดีให้แก่ลูกโดยจ้างลูกชายคนที่ไม่ชอบฟังธรรมให้ไปฟังธรรมที่วัดพระเจตวันให้ค่าจ้างแพงถึงวันละหนึ่งพันกหาปันะหรือเท่ากับสี่พันบาทในที่สุดลูกชายจอมเกเรก็ได้บรรลุโสดาปติผล ส่วนลูกสาวคนที่ชื่อนางสุมนานั้นบรรลุสักทาคามิผลคือสูงกว่าท่านเศรษฐีไปอีกเมื่อนางจะตายท่านเศรษฐีก็ไปเยี่ยมลูกสาวนางสุมาาก็เรียกบิดาว่าน้องชายท่านเศรษฐีคิดว่าลูกสาวเพอ้อกลัวว่าลูกสาวจะหลงตายญาติโยมก็ต้องมันจเจริญพระกรรมฐานนะจะได้ไม่หลงตาย คนที่หลงตายคือตายอย่างขาดสติจะต้องไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานแต่นางสุมนาไม่ได้หลงตายหรอกนะเธอต้องการจะบอกปริศนาธรรมแก่บิดาทรานองว่าเธอได้บรรลุธรรมชั้นสูงกว่าเท่ากับเป็นพี่เพื่อให้บิดาได้ค้นคว้าปฏิบัติให้สูงขึ้นไปอีกแล้วท่านเศรษฐีบรรลุสกทาคามิผลหรือเปล่าครับ พระคุณทศถามอันนี้ผมไม่ทราบเพราะคำพีไม่ได้บอกไว้ผมไม่กล้าบรรยายเกินคำพีขอฝากพระคุณเจ้าทั้งหลายไว้นทีนี้ด้วยว่าอย่าได้สอนเกินคำพีท่านรู้ว่าในอนาคตจะมีพระที่ไม่ได้อบรมกายอบรมจิตอวดอ้างว่าเป็นผู้รู้ผู้วิเศษกันมากเพราะหวังลาบสการะมากกว่า ะหวังนิพพานหลวงพ่อคะดิฉันอยากฟังเรื่องนางวิสาขาคะ่ะโยมผ่องใสกราบเรียนตกลงแต่ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในบ้านท้องท่านอนาตบินทิกะเศรษฐีประเดี๋ยวอาตมาจะพาไปที่อุโมงค์ที่ไว้สมบัติของท่านเศรษฐีใครอยากรวยก็ให้หลอดเข้าไปกลับเมืองไทยจะได้กลายเป็นเพศเศรษฐีญาติโยม และพระนุ่มสามรูปก็พากันดีใจกระวีกระวาดที่จะไปลอดอุโมงต่างพากันขึ้นรถเพื่อจะไปยังที่นั้นได้ลอดอุโมงของท่านเศรษฐีกันแล้วหลวงพ่อฤาษีเสดจจึงพาไปที่วัดพระเจตวันบรรยายให้ความรู้จนผู้ฟังนึกเห็นภาพพระเจตวันอันรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ครั้งอดีตแม่ปัจจุบันยังเหลือเพียงซากกองอิกองดินไว้ ให้เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสรรพสิ่งทั้งหลายเอาละเดี๋ยวเราจะไปนมัสการต้นโพพระอนนท์พระคุณเจ้าและญาติโยมจะได้มานั่งฟังการบรรยายยืนฟังมานานแล้วคงจะเมื่อยคานั่งฟังคงสบายกว่าและท่านผู้เชี่ยวชาญแห่งเมืองสาวัตถี จึงได้เดินนำไปยังต้นโพพระอนนท์ที่ยืนต้นสูงตรังานอยู่ทางทิศบุรพาคลั้นไปถึงบรรดาสุภาพบุรุษก็ช่วยกันปูอาสนะถวายพระภิกษุผู้นำทัวซื้ออาสนะแบบพับเก็บได้ถวายและแจกจ่ายแก่ผู้สแสวงบุญทุกรูปคนในวัดปฐมนิเทศแม่ชีปวนซึ่งไม่ได้มาจากเมืองไทยพร้อมคณะจึงไม่มีอาสนะรองนั่ง แต่แม่ชีไม่เดือดร้อนเพราะใช้นังสือพิมพ์แทนนั่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัถีจึงบรรยายเรื่องนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เป็นเอตะทักคะคู่กับอนาธบินธิกะเศรษฐีนางวิสาขาเป็นทิดาของทนัญชัยเศรษฐีมานดาชื่อสุมนาเกิดที่เมืองพัทยาแคว้นอังค งันก่อเป็นหลานท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีนาซิแม่ชีปวนลำดับความสัมพันธ์ระหว่างมหาอุบาสกกับมหาอุบาสิกาแม่ชีรู้ได้อย่างไรหลวงพ่อฤสีเสด ถ, ถามอ้าวหลวงพ่อไม่รู้หรรอจ๊ะแม่ชีย้อนถามอาตมาไม่รู้เพราะในคัมภีไม่ได้บอกไว้ท่านยึดคัมภีเป็นหลัก ท่านก็นไม่ได้รู้มาจากคำภีแล้วยมรู้จักใครล่ะจากท่านนี่แหละอัตมาบอกโยมตั้งแต่เมื่อไรเมื่อตะกี้นี่ไงล่ะท่านบอกว่าลูกสาวท่านเศรษฐีที่ชื่อนางสุมานาได้บรรลุ ธ, ธรรมสูงกว่าพ่ออืมโยมเข้าใจคิดดีนะแม่ชีปวนยิ้มหน้าบานเมื่อได้รับคำชมแต่อัตมาจะบอกว่ายมคิดผิด ได้ยินดังนี้หน้าที่บาลก็หุบลงทันทีผิดอย่างไรหลวงพ่อพูดอยู่โยกๆว่านางสุมนาเป็นลูกสาวของอนาธบินทิกะเศรษฐีงั้นหลวงพ่อก็พูดไม่ถูกนะสิพูดเสียงขุ่นๆอาตมาเน่ยพูดถูกแต่ว่าโยมคิดผิดคือนางสุมนาคนที่เป็นลูกสาวของท่านเศรษฐี เป็นคนละคนกับนางสุมนาที่เป็นแม่ของนางวิสาขาผู้ฟังยกเว้นหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระครูไม่รู้สึกว่าการถกเถียงกันระหว่างหลวงพ่อฤาษีกับแม่ชีปวนทำให้เสียเวลาเพราะต่างก็คิดอย่างเดียวกับแม่ชีว่ามารดาของมหาอุบาสิกาเป็นที่ดาของท่านอนาธบินทิกาเศรษฐี ส่วนหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระครูรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่งั้นก่อนนิมนต์บรรยายต่อเธอจะ้ะแม่ชีปวนนิมนต์หลังจากรู้แล้วว่าตนเข้าใจผิดนางวิสาขาบรลุโซดาปฏิพลตั้งแต่อายุเจ็ดขวบต่อมาก็ย้ายติดตามบิดาไปอยู่ที่เมืองสาเกตในแคว้นโกสนได้แต่งงานกับบุตรมิคาลเศรษฐี ชื่อปุณวัตแห่งเมืองสาวัตถีแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ตระกูลฝ่ายสามีซึ่งนับถือนิครนนางวิสาขาสามารถทําให้พ่อผัวหันมานับถือศาสนามิคาลเศรษฐีนับถือนางมากถึงกับเรียกนางว่าแม่และเพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อใหม่อีกอย่างหนึ่งว่ามิคาลมาดาซึ่งแปลว่ามารดาของมิคาลเศรฐี ตอนแต่งงานทนันชัยเศรษฐีได้จ้างช่างทองให้ทำเครื่องประดับให้ทิดาเรียกว่ามหาลดาประสาทซึ่งมีค่ามหาศาลนางวิสาขาเลื่อมใสศรัทธาในพระาศาสนายิ่งนักได้อุปถัมภ์บำรงพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอย่างดีนางได้ขายเครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาทแล้วก็นำเงินมาสร้างวัดถวาย แด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ชื่อวัดบุรพารามส้างมิคารมาตุปราศาสตร์ซึ่งแปลว่าปราศาสตร์ของมารดามิคารละเศษฐีกล่าวกันว่านางมีบุตรล้านมากมายแต่ละคนล้วนมีสุขภาพดีนางวิสาขาเองก็มีอายุยืนถึงร้อยยี่สิบปีก็ดูไม่กแก่เวลานั่งอยู่กับลูกหลาน จะดูไม่รู้ว่าคนไหนคือนางวิสาขาเพราะดูวัยงามเหมือนกันหมดโยมรู้ไหมว่าจะรู้ตอนไหนว่าใครคือวิสาขาท่านถามโยมผ่องสายภรยาเท่าแก่เสงเพราะเป็นสตรีอวุโสที่สุดในคณะตอนลุกค่ะหลวงพ่อถึงตอนนั่งจะไม่รู้ว่าใครเป็นลูกใครเป็นแม่แต่ตอนลุกจะรู้ค่ะ เพราะว่าคนแก่นั้นเวลาจะลุกก็เอาก้นขึ้นก่อนโยมผ่องใสตอบไหนแม่ชีปวดลองลุกให้อาตมาดูสิท่านสั่งแม่ชีแม่ชีวัยหกสิบใช้มือทั้งสองเท้าพื้นแล้ว่อยลุกขึ้นในท่าเอาก้นขึ้นก่อนจริงๆเป็นอันว่า คำตอบของโยมผ่องใสถูกต้องตรงกับความเป็นจริงนางวิสาขายังมีมิตรสหายที่ใจบุญใจกุศลเหมือนนางอีกหลายคนและก็ได้ดชักชวนมิตรสหายไปทำบุญที่วัดบุภารามเสมอๆ ส, อสาหายคนหนึ่งชื่อสุปปปิยาเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้ามากเย็นวันหนึ่งนางได้ไปวัดกับนางวิสาขา พบภิกษุอาพาทรูปหนึ่งนอนสมอยู่ในกุฏินางสุปปริยาจึงถามท่านว่าต้องการฉันอะไรเป็นพิเศษจะได้นำมาถวายภิกษุอาพาตตอบว่าท่านอยากฉันน้ำต้มเนื้อนางจึงกลับบ้านมาสั่งให้สาวใช้ไปหาซื้อเนื้อในตลาดบังเอิญวันนั้นเป็นวันพระไม่มีเนื้อขายนางจึงใช้มีดตัดเนื้อขาอ่อนของตน ให้สาวใช้ต้มจนเปื่อยแล้วก็กรองเอาแต่น้ำไปส่งถวายภิกษุอาพาธเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบได้เสด็จมาเยี่ยมนางสุปปิยาผู้สึ่งนอนป่วยเพราะพิษบาดแผลพระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญความมีศรัทธาแรงกล้าของนางทำให้นางสดชื่นรื่นเริงใจจนหายป่วยราวปฏิหารหลังจากนั้นก็ได้เสด็จกลับมายังพระเจตวัน ตรัดถามถึงภิกษุอาพาธรูปนั้นแล้วก็เสด็จไปเยี่ยมมีพระดํารัสถามภิกษุรูปนั้นว่าก่อนฉันน้ําต้มเนื้อได้พิจารณากรหรือไม่ว่าเป็นน้ําต้มเนื้อสัตว์หรือเนื้อมนุษย์ภิกษุนั้นกราบทูลว่าฉันโดยมิถันได้พิจารณาจึงบัญญัติเป็นพระวินัยว่าภิกษุใดฉันน้ําต้มเนื้อโดยไม่ได้พิจารณา หากเนื้อนั้นเป็นของมนุษย์ภิกษุนั้นต้องอาบัตทุลจยเพราะเหตุนั้นสมภารวัดไทยสาวัตถีเล่าเรื่องสหายของนางวิสาขามหาอุบาสิกา